จะเรืงการช่วยเหลือจิตใจของผู้ป่วยยสุดท้ายซึ่งที่ทิก็สามารถจะนาไปใช้กับผู้ป่วยทั่วไปได้ด้วยแล้วก็สามารถจะนำมาใช้กับตัวเรา เวลาที่เรามาถึงเนี่ยสุดท้ายของชีวิตเรื่องการดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูแลรแเรื่องกายแรงใจเรื่องกายนี้จะตาไม่มีความรู้นะมันเป็นหน้าที่ของหมอและพยาบาลแต่ว่าเรื่อ ง, องใจ ที่จริงแล้วนีก็เป็นสิ่งที่หมอรพยาบาบนี่ก็ควรจะรู้เพราะว่ามันสามารถจะส่งผลต่อร่างกายของผู้ป่วยด้วยคนเราเวลาป่วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ป่วยแต่กาย ใจก็ป่วยแค่ตัวลอยทั้งรอยเนี่ยป่วยใจในที่นี้เนี่ยก็มายถึงมีความกลัวมีความวิตกมีความหงุดหงิดมีความเครียดและเป็นลึกไปกว่านั้นเนี่ยก็คือไปลงคิดเอาความทุกข์ ความทุกขของใจตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ไม่จําหนักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยเวลามีความป่วยเกิดขึ้นเวลามีความปวดความเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยฉะ น, นที่มันเกิดขึ้นกับกายแต่ก็ไปไปจึดไ ป, ปรุมว่าเป็นชันเจ็บเป็นกล่เจ็บ ดูแม่ทำท่ากล่าไปสําคัญแม่หมาว่าฉันเป็นมะเร็งบ้างละนะฉันเป็นโรคหัวใจบ้างนะอันนี้อาจจะเป็นการพูดโดยสามวันแต่ว่าหลายคนก็ไปยึดจริงๆนะว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี้นัตมาก็จะพูดกับผู้ป่วยมะเร็งหลายคนนะว่าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งนะคุณแค่มีมะเร็งอยู่ในตัว ัต่างๆเยอะเลยนะคุณเป็นมะเร็งก็คือมะเ็งเป็นทั้งมของคุณนะแต่ที่จริงแล้วมะเล็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะในร่างกายของคุณมีร่างมีอวัยวะอีกต้องเยอแยะที่ดีก็มีแค่อย่างสองอย่างที่ไม่ปกติคือมีเนื้อร้ายเอ็นทั้งหมดกตอบคือว่ามีมะเร็งอยู่ในตัวนะ ไม่ใช่เป็นอะไรแต่แล้วเาก็ตามเนี่ยเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเข้าใจยากแต่เอาเฉพาะว่าเวลาป่วยแล้วเนี่ยมีความเครียดมีความวมีความตัวมีความวิตกอันนั้นแหละเรียกว่าทุกข์ใจอันนั้นเรียกว่าความป่วยใจนะซึ่งจําเป็นตาา้องรักษาด้วยยา บางคนเนี่ยอาการทางกายไม่เท่าไรนะแต่พอใจป่วยแล้วเนี่ยมันสุดเลยนะอาจารย์ประเวศเคยพูดถึงคนไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนตัวซี่แรงไม่มีแม้กระทั่งจะเดินนะมาหาหมอเนี่ยต้องนอนเปลมามาหาบุญหมอหมอนี่เป็นหมอด้านโลหิตวิทยา สิเดลา่าตอนนั้นยังไม่กเกษียณท่านดูคนไข้แล้วก็สักถามอาการแล้วก็หันไปพูดกับเลสิเนเดนหมอประจํา บ, บ้านว่าเนี่ยคนไข้คนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ตัวซีก็มีทียาตักคอเดี๋ยวให้กินเหล็กก็จะหายวันหายคืนพูดจบก็หัไปที่คนไข้เพราะว่าคนไข้นี้ก็ขึ้นยืนได้เลยบอกว่าหมอถ้ามันหายงายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปรตแล้วล่ะ เรียลแรงกลับมาแล้วตนที่ยังไม่ทันจะได้ยานเมื่อกี้ยังเดินไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเข็นเปะได้สิ่งที่นั่นคิดก็คือว่าทำไมเป็นแค่พยานปากคอเนี่ยถึงไม่มีแรงเพราะแกคิดว่าแกเป็นมะเร็งไงหรือว่าแเป็นโรคร้ายรือว่าแเป็นไตาวายหรืป่าแกคิดพอคิดแบบนี้ใจสุดเลยพอใจสุดนะมันก็ไปฉุดกายให้สุด กลายนะคือมอเขาเล่ามีนักมีนักุกรกีคนหนึ่งนะแกก็ใช้ตามปกตินะวันนึงออกแกว์กลัตกายไปรจำเล่นเทนนิสวนนัึงไปตรวจสุขภาพมอบอกว่าคุณหัวใจรั่วแก่ตกใจมากเลยนะเพราะหัวใจรั่วที่แกนึกที่แกเข้าใจคือหัวใจเป็นรูแล้วก็เวลาบีบเนื้เอเลืองก็พุ่กออกมา น, นี้ก็ตายเยสองวันแล้วนะั้นแกก็เข้าโรงพยาบาลและไม่กี่วันก็เข้าห้องไอซแล้วก็ไม่ออกไกเลยจริงๆหมอท่านใจบอกแต่ว่าริดขนใจแกรั่วแต่หมอพูดไม่โครบอกว่าป่วใจรั่วเนี่แล้วแกก็นึกไปเลยนะว่็เป็นโรคอันตรายมากอันนี้เรื่องมาโนนะ แต่สิ่งที่แกมนโนเนี่ยนะมันสามารถทำให้แกตายได้ทั้งที่ลิหดหัวใจรั่วเนี่ยยังใช้ชีวิตตามปกติได้เล่นเล่นกินแล้ายังเล่นได้เห็นไหมฮะคือเท่าใจป่วยแล้วเนี่ยนะมันฉุดกายนี่ลงไปเลยนะบางคนนี่ไม่มีอาการอะไรนะร่างกายไม่ไม่ติดปกตินะ แต่ว่าเจ็บแปลว่าป่วยพีเองตนนยุยี่สิบกว่าแกปวดหัวปวดท้องเรื้อรังเป็นประจำความดังสูงเข้าออกโรงพยาบาลไปหามหมอหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้ผลเลยไม่หายหมอเองก็งงนะเพราะว่าร่างกายจกปกติอย่าง นะตรวจตรวจเลือดตรวจความถ้าม่รู้คือตรวจร่างกายเนี่ยนะมันปกติทุกอย่างนะที่แรกหมอก็จะถอใจนะเพราะว่ารักษาเคสนี้มาหลายครั้งแนละ้วแล้วหมอแกก็ถูกใจ คนหนึ่งแกก็ถามคนไทยไว้เวลาคนไทยมาเ ย, มายี่ยมก็ถามหลายคุณช่วยเล่าประวัติของคุณให้ฟังแกเป็นลูกกับพราไม่มีพ่อไม่มีแม่ตั้งแต่เล็กพี่สาวดูแลแต่เวลาเขาพูดพี่สาวนี่ก็มีอาการเลยนะความโปรดแกโปรดแกน้อยใจพี่สาวหมอก็เลยรู้เลยว่า อะไรคือสาเหตุหมอแนะนําว่าให้แกให้อภัยที่สามจะโกรธหมอนหะมว่ามานันแนะนําอะไรแบบนี้แทนที่หมอจะให้ยามาให้แกให้อภันก็เป็นการทำทาร่าให้แกทำเป็นหน้าที่ของหมอทาราษาไม่ใช่เป็นหน้าที่ของแกต้องมาให้อภยัยใครแต่้าก็หายไปเลยนะหนึ่งปีต่อมาแกผิด จ, จนม า, มาหาหมอสมัย น, นั้นยังไม่มีอีเมล ก็แคหายแล้วเพราะามคำตา ม, ามตที่หมอแนะนําคือให้อาฟานะรความโกรธนี่นะมันก็เป็นความป่วยชนิดหนึ่งนะเวลาโกรธนี่นะนั่นแหละความป่วยใจเกิดขึ้นนะแล้วร่างกายไม่เป็นอะไรเลยนะแต่โกรธเนี่ยโกรธมากๆมันทำให้ความดันขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ทําให้ปวดหัวปวดท้องเรื้อรังไอ้เวลาเจอคนไข้ที่หาสาเหตุไม่พบเนี่ยนะ ก็ไปหาแต่กายไปดูที่กายเนะี่ยไม่ได้ดูใจหมอคนนี้เนี่ยแแจก็เรียกว่าเฉลียยใจนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของใจเนี่ยนะอย่าไปมองข้างการเยวยาร่างปิดใจนะสามารถชนวยทให้กายดีขึ้นได้หรืออาจจะทงจะหายเลยก็ได้คนนี้ ดูแลติตใจผู้วสุดท้ายทำอย่างไรอันนี้ผู้เจ้านี่ก็ได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้มีในประเัติศิลก็จะมีหลายตอนที่พูดถึงพู้เจ้าที่ไปนำทางผู้ใกล้าตายแล้วก็วิธีการคล้ายกันิ่มเพราะสองข้อแรกก็คือว่าให้ใหผู้ป่วยเนี่ยมีศรัทธา หรือระลึกถึงศรัทธาในพนระรัตไตรัสองให้ระลึกถึงศีลที่ตัวเองได้ทำให้ีถ้าเป็นศีลที่ได้ทำไว้ดีแล้วเนี่ยก็ให้ระลึกึถึงเอาไว้แล้วก็ที่ามที่ใช้บ่อยคือว่าให้วางให้ปล่อยวาง ในลูกคนรักสามีภรรยาพ่อแม่ทรัพย์สมบัติรวมแม้กระทั่งว่าสวรรค์อยากจะไปตายอยากจะเกิดในสวรรค์ท่านไหนก็วางคนระับอันนี้เนี่ยเป็นหลักที่ใช้ได้นะกับคนทั่วไป2อ0รปีใช้ได้อย่างไรปัจจุบันก็ยังใช้ได้ อาจารย์ธจะขยายความแล้วก็อธิบายให้ให้ให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะทำเป็นผู้เจ้าตัดเนี่ยสิ่งต้องมีนัก็คือความเมตตากรุณาต้องมีใจให้ก่อนสําคัญมากนะความเมตตากรุณาเนี่ยอย่างเช่นอาารย์ผู้ใดเมื่อสองวันก่อนว่าคนป่วยหลายคนเนี่ยเพราะกลัวหรือเพราะผู้ป่วยสุดท้ายจะปวดตาย ตัวตายตัวตายคนเดียวสิ่งที่จะช่วยทำให้คนไทยเขาภูใมใจคือให้ความรักให้ความมั่นใจว่าเราจะดูแลเขาอย่างเต็มที่หลายคนที่ที่ไม่กล้าหลับเวลากลางคืนเนี่ยนะคอยปุกคนนั้นคนนี้เนี่ยแต่พอลูกหลานทำให้มั่นใจว่าจะดูแลเขา จะมีคนดูแลเขาจะอยู่ดูแลเขายี่สิสี่ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเวลาหลับก็จะไม่หลับ ก, กับเขาเขาก็จะสบายใจแล้วเขาก็จะหลับได้บางคนเนี่ยตอนท้ทายๆนี่ก็ไล่ลูกหลานให้ไปนอนเพราะว่ามั่นใจนะถ้าจะตายคนเดียวก็มั่นใจความรักเนี่ยมันแสดงออก ด้วยไม่เป็นต้องด้วยคำพูดที่ไพเรอะใช้ออกด้วยสีหน้าด้วยน้ําเสียงด้วยสัมผัสที่อ่อนโยนบางคนผู้ไม่เป็นนะแต่ว่าใช้สัมผัสนี่แหละมันสื่อถึงใจได้ขอใหมีสติขออยู่กับเขาด้วยใจเต็มร้อยก็พอไม่ตามใส่ออกด้วยความอดทนเวลาเขาใช้อารมณ์กับเราเราไม่ตอบโต้ ให้ถือว่าที่เขาโกรธเน้่ยเขาไม่ได้โกรธเรานะเขาจะโกรธอะไรต่อหลายอย่างแต่ไม่ใช่เราจนะาไปเอามาเป็นอารมณ์จะทำให้เรามีความอดทนแล้วก็อยู่กับเขานะได้อย่างปกติสุขความรักมาแสดงออกด้วยการให้เวลาขเขาการฟังเขาอย่างที่จะมาพูดเมื่อวานเนี่ย คนไข้หลายคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยมีคนฟังอย่างอย่างที่โยมพยาบาลมีแต่คนสั่งคนไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เพียงแค่ให้เวลาฟังเท่านี่ยนะช่วยได้เยอะอย่างที่ตลับพูดเวานนะพยาบาลฟังคนไทยเล่าเรื่องผัวเรื่องลูกนะให้เขาระบายต่อเขาระบายแล้วเนี่ยความปวดมันก็จะลดลง เพราะความกลัวไม่ได้เกิดจากมาเร็องอย่างเดียวความกลัวจะเกิดจากความโกรธก็ได้เพียงแค่เขารู้สึกมั่นใจว่าเราฟังเขานะ่เขาก็สบายใจอยู่กับเขามีหมอฝึกห ม, ม่คนนึงเล่าว่าเคยไป ไปขึ้นเวรประมาณเวรตึกนะก็ไปเจอยายบนนงนะแกชอบขย่อเตียงแกปลอดพวงแล้วก็ต้องมัดต้องมัดมือแกอไวมันงั้นแกถอดสายยางแกขย่านั่นแหละเที่ยงคืนนละ้วไปชี้ใหญ่เตียง ียบาลก็เลยไปถามเดกเตียงว่าหายใจไม่ออกเลยแกก็ใส่หัวปวดเลยแกก็ใส่หัวเป็นอะไรลำคาญใช่ไหมลำคาญที่ถูกมัดยายอยากจะให้ถอดใช่ไหมหรือทำให้ไม่ได้หรอกพอเดี๋ยวแกมัดเดี๋ยวยายก็ ถอดสายยางแล้วเจ้ใส่สายยางใหม่เนี่ยมันเจ็บใช่ไม่ยายถอดให้ไม่ได้แก้แก้บันให้ไม่ได้นะก็ขยิวเลยนะหมอรู้ทาไงหมอก็เลยจับมือเจ้ก็ยอมให้จับนะเสร็จ แ, แล้วหมอก็บังเอิญไปสบตาแกเห็นแววอะไรบางอย่างกเลยถามใจว่า ใหญ่เหงาใช่ไหมไม่มีใครมาเยี่ยมกันเลยงั้นหนูจะอยู่เป็นเพื่อนยายนะก็ เ, เลิกขย่าเลยแปลว่าไอ้ที่แกลําคาบเนี่ยนะมันไม่ใช่ลำคาญในที่มือหรือที่ตรงเนี้นะมันําคาญใจไม่มีใครเยี่ยมพอหมอนั่งเป็นเพื่อนแกแกเลิกขย่าเลยหมอนั่งเป็นชั่วโมงนะ พอหมอเนี่ยได้เวลาลงเวรนะเดินออกจากเตียงไม่เท่าไรก็ขยาม่หมอเลยกลับมาบอกว่ายายอยากขยานะคนเขาหลับกันมันก็จะนอนไม่หลับยังไงนะเดี๋ยวพรุ่นี้หนูพรุ่ีช้าหนูมาเย่ยมายใหม่นะแกเชื่อนะแกก็ดือขยาแล้วหมอกมาเยี่ยมยยนนะแ ก, นะแกแมมมจริง ปัญหาแกไม่ได้อยู่ที่ท่อนะปัญหาแกอยู่ที่ว่าใจแกเนี่ยมันเหงาแค่เพียงแค่มีเพื่อนมา น, นั่งแกก็สบายใจนะหมอไม่ต้องทำศัายการหมอไม่ต้องให้ยาแค่เป็นเพื่อนอันนี้ก็เป็นแซวถึงความรักนะ วันนี้พอเรามีใจให้กับคนไข้แล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการช่วยให้เขาเนี่ยคลายความยึดติดคลายความห่วงหาอะไรขอขอะน้อมใจแกให้ระลึกถึง สิ่งดีงามที่แก่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระรัตนตรยัยไดาเป็นคนเดียวเป็นเจ้าแม่โคดมการน้อมใจให้ระลึกถึงสิ่งดีงามเนี่ยนะมันทําให้ใจเป็นมุสมและยิง่งถ้าเป็นสิ่งที่เขาศรัทธาด้วยแล้วเนี่ยมันทําให้เขาเกิดความสุขได้ง่ายอย่างทีต่ตัมมาพูดถึงคุณยายที่แก่หายปวดพอแกระลึกถึงวันที่แกได้ไปหลออพระ หลายคนเนี่ยนะพอได้นึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใจก็จะเกิดความอิ่มเอิบนะเกิดปิติผู้เจ้าก่าวว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตพุทธภาษิสั้นๆที่มีความหมายสองอย่างความหมายคือว่า หนึ่เวลาใกล้าตายได้สามารถจะมีความสุขได้สองและที่สุขได้ก็เพราะว่าได้ทําบุญหรือรู้ถึงบุญที่ได้ทําไว้นะั้นเวลาคนใกล้าตายเนี่ยเราชวนเขานะให้รู้ถึงบุญที่เขาได้ทำํำนะอาจจะรู้ถึงความดีก็ได้ในกรณีที่เขาเป็นคนไกลวัด คุณุงนนึงเนี่ยคุณปูคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็สองสเดือนสุดท้ายนี่แกจะปวดก็ต้องเข้าโรงพยบานเป็นประจําเข้าแต่ละทีก็วุ่นวายเข้าเสร็จก็ออกไ ป, ไปข้าเสร็จ ก, ก็กลับไปใหม่เดือสุดท้ายเนี่ยบังเ อ, อิญมีหลานเรียนจบก็กําลังลองงานก็เลยมามาเฝ้าไข้หลานคนนี้เนี่ยมาเยี่ยมไม่เหมือนใครเนี่ยแกก็จะ แทนที่แกนักทหานซื้อพิมพูทรทวดแกก็ถามปู่เรื่องชีวิตของปู่ปู่แกก็เล่าเรื่องราวความปลืใจตอนหนุ่มแกไปเป็นทาหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งะเราคงรู้น่าสงครามโลกที่หนึ่งเาา น, นี่ยไทยเนี่ยส่งทหารไปรบในยุโรปแต่ไม่ทันได้ไปรบนะก็ชนะนะแกมีความภาคภูมิใจนะที่ไทยชนะ กลับมาก็รับราชการส ร, าสร้างตัวสร้างตัวด้วยความซื่อสัตย์จริงนะแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเป็นคนดีแกมีความสุขที่ได้เล่าสลามก็เลยคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องการปล่อยวางคุย พ, พอตอนชายแกก็เลี้ยงลูกหลานมาสางเสียแล้วแก่าจากไปน ต, ตอนที่แกไปนี่ก็เหมือนว่าแกยิ้มนะ และที่น่าแกอย่างคือว่าเดือนนั้นทั้งเดือนในแกไม่เคยปวดจนต้องต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนนั้นนักแกปวดครั้งแล้วรังหนึ่งทำไมถึงจะไม่ปวดนะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะแกได้ได้ย้อนรละลึกถึงความดีที่แกได้ทำจากการที่ได้หลา น, นได้มาชวนคุยเวลาเราเวลาเราไปดูแลคนไข้เนี่ยนะบางทีก็ไกลวัด แต่ว่าถ้าเราชวนเขาคุยเรื่องที่เขาภาคภูมิใจในชีวิตนะก็าจะไม่มีความสัตย์ทา ม, มากในเรื่องวัดเรื่องวาแต่เขาถ้าเขาได้เราเลืกถึงความดีที่เขาได้ทําด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยเขาก็จะมีความเป็สิทิได้เหมือนกันมี อีกเงินนึงนะที่สุราษฎร์แกป่วยหนะักแล้วแกก็มีอาการจะสับกระสายเพื่อนๆมาเยี่ยมแล้วก็มีการชวนกับเราร้องเพลงข่าตั้งหนุมเธอฟังแล้วเธอก็ปลืม้มเพราะว่าเธอเป็นคนนำเอาเพลงข่าตั้งหนุไมเนี่ยไปเผปยแพร่ในตําบลของเธอนะที่สุราษฎร์ คนในตำบอยั่รู้จักเพลงนี้ของแก่แล้วพอแก่ๆแก่ตัวลงแ ล, แล้วก็พอป่วยเนะพื่อนมาล่ามาร้องเพลงโอแกภูงใจมากอาการกษะชับระสายก็ลดลงไปเลยนะเนี่ยบางทีไม่ต้องเรื่องธรรมะเรื่องที่เป็นภาพผูงใจก็ช่วยไดนะ้อันนี้เรื่วาน้อมให้คนรู้รถึงความดีที่เขาได้ทำ การเป็นคำที่เขาภาคภูมิใจประการต่อมาคือชวนให้เขาปลดเปื้องสิ่งข้างขาดใจช่วยเขาปล่อยวางสิ่งที่เขาชอบยึดติดต่ตมาก็ได้พูดไปแล้วเม่อสองสามังก่อนว่าหลายคนเนี่ยตายไม่สงบก็ห่วงลูกบางคนห่วงซัก แต่ถ้าพูดให้เขาได้คลายทำให้เขามั่นใจว่าลูกจะมีคนดูแลทำให้เขามั่นใจว่าสมบัติของลูกเนี่ยจะเป็นของลูกนะแม้ว่าแม่จะได้มีผัวใหม่นะก็จะไม่มีปัญหาคนบางคนเขาห่วงนะห่วงว่าความตายาเขาจะเป็นภาระให้กับเมียมี ลู้คนหนึ่งนะแกจนนะแต่แกรับเมียว่ากแกจนแบบจนสุดๆเลยนะตอนจะตายเนะี่ยแกจะบอกเมียว่าอยถ้าแกตายอย่าไปกู้เงินใครมาทําศพนะไม่มีเงินทําศพก็ยกศพแกให้ให้บคุคริสตไปเลยคริสตก็ก็อยากได้นะอยากได้คนไปนเป็นบุตรเขาอยากได้คนที่ถูกไปรับพระเจ้าตอนจะตายแกก็ยังห่วงเรื่องนี้นะ แล้วพอตายแกก็ตาค้างแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยนะพยาบาลเนี่ยรับรู้เรื่องนี้แล้วก็รู้ว่าแกเป็นห่วงก็พย า, ายามไปวิ่งเต้นเพื่อที่จะหาเงินเพื่อให้เงินสงเคราะห์นี่มาช่วยผู้ป่วยไอาาา้นาถานแล้วก็ก็ได้ผลนะว่าได้เงินนะสองหมื่นนะวันที่แกตายพอดี พอพยาบาลรู้ว่าลุงที่แกตาเปิดนะแกะไม่อยอมปิดก็บอกเมียว่าบอกป้านรีบไปบอกลุงนะว่าได้เงินทาศพแล้วไม่ต้องหวงให้ไปสงบนะป้าแกก็ไปนะแล้วก็ไปทำที่พูดนะอย่างที่พยาบาลแนะนําแล้วก็ปิดตาแกเพราะว่ปิดได้นะ ไอ่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ว่าคนไขเนี่ยคนตายเนี่ยเขายังยังห่วงอยูอย่แต่ถึงตายแล้วก็ยังรับรู้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกให้เขารู้ว่าเนี่ยไม่เป็นหนี้แล้วนะมีเงินทําศพแล้วนะมีเงินซื้อโรงแล้วนะบางทีเขาสามารถจะไปสงบได้แต่ถ้าให้ดีแล้ว็ควรจะช่วยเขาปลดเปลืองเรื่องนี้นะนนก่อนที่เขาจะตายบางคนไม่ห่วง ที่ได้สัญญาไว้มาพูดไปแล้วนั้นลูกที่สัญญากับแม่ว่ารับปากกับแม่ว่าจะส่งเสียน้องให้แต่ตอนมามามาเจอปุัติเหตุซะก่อนพอแม่บอกลูกว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะแม่จะส่งเสียน้องเองคนไทยก็สบายใจแล้วก็ไปในที่สุด บางคนโกรธบางคนรู้สึกผิดแล้วพอได้ขอโทษเขาก็ตายตาหลับบางคนห่วงนะห่วงแฟนมีดีมีเมื่อสิบปีที่แล้วมีดีเจคนหนึ่งโอ้ยแกจกพูกับแฟนคนนี้มาส0กว่าปีแล้วก็เลือนห่ส์สร้างรายไเสร็จนะหลายล้านแต่เวอแบบกเป็นมะเร็งแลวมะเร็งก็เร็วมาก ช่วยเท่าหร่ ก, ก็ช่วยไม่ได้นะร่างกายกก็สุดลงแต่หมอบอกว่าเนี่ยเอาอวัยวตทางๆางแกนี่แย่แลนะ้วะแต่หัวใจแข็งแรงมากเลยหัวใจยังเต้นนะยังไม่ตกเลยนะข้างเตียงแกนะแฟนสาวร้องร้องไห้โจ้สู้นะอย่าเพิ่งตายสู้ แต่หลังจากที่ยือมาหลายควันเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยร่างกายแย่เลยมีแตหัวใจเต้นนะแฟนก็คงจะรู้ว่าผมไม่ไหวนะก็เลยบอกกับคนไข้ว่าตั้อง้วรจะไปเข้าไปเถอะนะจะได้พักสักทีเพราะหัวใจมันถเต้นเลยนะหัวใจห ย, ยุดเต้นเลย เรื่องันนี้เาจะเคยได้ยินนะคนบางคนที่เขาเขาจะไม่ตายจนกว่าอะไรบางอย่างจะสําเร็จหรือว่าจนกว่าญาติหรือคนญากหรือว่าลูกหลานจะปล่อยเขาไปบางคนเนี่ยเขามีอะไรบางอย่างที่เขายังติดค้างอยู่ คือบางทีเนี่ยเขาไม่สามารถจะสื่อสารให้เรารู้แล้วได้ชัดเจนมีคุณรู้คนหนึ่งนะที่ที่โรงพยาบาลนะเป็นคุณกำแพงเพรและแ ก, ะกะป่วยหนะักแกก็ป่วยสกสกสารานและคงจะเป็นโรคมะเร็งนะแต่ว่าทาแกมารักษาตัวที่ ท, ที่ที่จุฬาแล้วก็อาการแกโคมา่าอยู่ห้องไอซียู แล้วก็มีการกระสับกระส่ายหมอโน้มแกปวดก็ให้ยารับปวดไปได้ผลแค่สิบหนาทีแล้วแกก็ ก, กระสับกระส่ายใหมนะ่หมอเลยเอะใจหมอคนนี้เคยเคยเรียกตอนให้กับกรมการประชัความตายด้วยแกเข้าใจเรื่องของจิตใจดิแกก็เลยพยาพยามคุยกับคนไข้ว่ามีอะไรปวดไหมคนไข้ก็พูดไม่ค่อยได้เพราะว่าใส่เจาะใส่สายอะไรนี่นะ แต่แพูดมาพอจะให้เดาได้ว่าเชียงใหม่เชียงใหม่ถามว่าเชียงใหม่คืออะไรรูไม่รู้แต่รูกบอกว่าเนี่ยพ่อเคยเปิดที่สวดอกแล้วก็เราเขาก็พ่อเคยเปิดทีร่างกายไว้ที่สวนดอกโรงพยาบาล ส, สวนดอกนะโรงพยาบาลในนั้นโะรงพยาบาลสวดอกหมอเลยบอกคนไข้ว่า ถ้าลุงเป็นอะไรไปเนี่ยไม่ต้องห่วงนะั้นจุฬาเนี่ยจะรับดูจะรับจัดการจัดการเรื่องศพนนะเพราะก็แกอีกระสับกระสายเลยนะแต่แกไม่ได้ตายที่จุฬาแนตะ่แกไปแกไปตายที่บ้านถ้าคนบางคนเนี่ยเขามีความห่วงอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่หววที่เรารู้รู้จักก็ได้เราก็ต้องไปต้องไปคลับ แต่พอเราคลำปองได้นะพูดพุกเนี่ยนะหยุดเลยนะอาการทุราทุรากระสับกระส่ายนิรันด์ก็แปลงนะแล้วก็น่าสนใจคุณลุงคนนี้แกก็เป็นธรรมะธรรมโมมากเป็นเจ้าคิดเจ้าการ่าคนไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารทอดทอปากทอกระิดตามวัดในชนบทไกลๆวัดจนๆ และต่อมาแกทําที่มาเป็นสิบปีนะและต่อมาแกก็เป็นมะเร็งมะเร็กเร็วมากเลยจนท้ายในสุดแกก็เป็นผู้ป่วยสุดท้ายตอนท้ทายๆเนี่แกมีอาการกระสับกระสายกระตุกนลูกหลานเนี่ยก็เห็นว่าแกเป็นธรรมะทำโมงเธอเดินฟังเทป พ, พระกสวดมนต์หรือว่าเทปธรรมะ แกน่าจะสงบเพราะว่าเกิดเทพบุตรพระสวดมนต์แล้วแกก็ยังกระสากระส่ษษายเอ๊ะแปลกใจจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาพอรู้ว่เกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็ไปพูดกับแกข้างเตียงว่าโบที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยงสร้างให้เสร็จเขาก็าโดนใจกันนะแกหยุดเลยแกเลิกกระสากระส่ษษาย แปลว่าอะไว่าแกพิจารณาเรื่องเรื่องบุตแกเป็นคนที่รับผิดชอบนะเนะจ้ากิจาการให้คนชวนคนมาสร้างบุตแล้วแกรสร้างไม่เสร็จแล้วแกก็จะตายแกก็เลยพยายามต่อสู้ขัดความตายเวลาต่อสู้กับขัดขืนความตายหรือไม่ยอมตายที่เมก้าอันนี้ก็สับก็สับการสร้างบุตนี่เป็นของดีนะเป็นกุศลนะแต่ถึงเวลาตายก็ต้องปล่อยวางนะ ยึดติดในบุญกุศลนี่นก็ไม่ใช่ดีนะยึดติดในการทำความดีแล้วทำไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้ตายไม่สมบเหมือนกันนะฉันต้องปล่อยวางเหมือนกันเนี่ยสรุปสองข้อเนี่ยที่พูดมาเนี่ยนะสรุปง่ายๆก็คือว่าให้นึกถึงพระแ ล, ะะล้วก็รับทุกสิ่งนะสองข้อนี้เนี่ยเอาไปใช้กับผู้ควรสุดท้ายได้เนี่ 90% เนี่ยอาจารอว่าใช้ได้ น, ะน้อมใจเขาให้นึกถึงพระนึกถึงพระเนี่ยอาจจะระบถึงความดีที่เขาได้ทำด้วยแต่นึกถึงพระนี่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฟังเทศธรรมะอย่างเดียวนะหรือว่าสวนมน์อย่างเดียวนะมันหลากหลายนะต้องรอต้องพิจารณาไปรายๆไป บางคนเวลาใกล้าตายเนี่ยชวนเขาให้ระลึกถึงพระรัตนตายด้วยการกล่าวไต่คำไต่สรณคมพุทธังสรนังคาณีธรรมังสระังคชาณีเนี่ยนะแล้วก็ชวนเขารักศีลก่อนตายช่วยด้านกันนะถึงแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยที่กลวันเนี่ยแต่พอตอนตายเนี่ยได้กล่าวเอ่ยคำไต่สรณาคมแล้วก็รักศีล รู้สึกว่าใจเนี่ยเบานะแล้วก็อยอมรับความตายได้ดีขึ้นตอนนี้เนี่ยนึกถึงพระรักทุกสิ่งแล้วเนี่ยนะก็มีข้อต่อมาคือว่าคนคนบางทีเนี่ยก็ต้องบอกให้ยากเนี่ยปล่อยวางด้วย บางครั้งเนี่ยคนคนป่ว ย, ยก็พร้อมนะแต่ยาติให้พร้อมเมื่อกี้ก็จะพูดไปสักหน่อยแล้วนะเรื่องของแฟนสาวที่ที่ไม่ยอมปล่อยคนไข้แต่พอปล่อยแล้วเนี่ยเาก็ไปมีคุณยายคนนึงนะแกก็ป่วยที่โรงพยาบาลแล้ววันหนึ่งแกก็หัวใจหยุดเต้นฟังขึ้นมาเนี่ยแกก็เป็นมันก็บผักเลย คืไม่ตอบสนองนะก็ไม่เฉลโคมา่โมาโคม่านี่คือไม่รับรู้อะไรเลยผักเนี่ยบางทีเปิดตากลางวันก็เปิดตากลางคืนก็หลับสว่างก็เปิดตาใหม่พอกลางคืนก็หลับนะผักกับโคมา่าเหมือนกันทีเดียวนะแต่ให้เชื่อนะว่ะาไปเดินโคม่าหรือผักเนี่ยเขรับรู้ได้ แต่กรณีเนี่ยตลอดหนึ่งเดือนนี่นะแกไม่ตอบสนองเลยแกเป็นคนที่มีน้าใจมากลูกหลานมาเยี่ยมเพื่อนบ้านมาเยี่ยมมาเยี่ยมยายอะไรต่างก็ให้กําลังใจหายไวๆนะจะได้กลับไปคุยกับไปเล่นกันเพื่อนบ้านก็แต่บางคนก็พูดแบบนี้แกแกก็ไม่ตอบสนองผ่านไปเดือนหนึ่งเนี่ยลูกชายเนี่ยซึ่งดูแลแม่มาตลอดคลิกตัวแม่เห็นน้ําตา น้ำตาหลาก็สั่งหอนใจก็เลยพูดกับแม่ว่าแม่แม่เหนื่อยแม่แม่ทรมานใช่ไหมเหนื่ม่ทรมานแม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมแล้วก็ชวนแม่สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิตามปกติเพราะกว่าทําไปได้ห้านาทีนะแม่หมดลมผมไม่ใช่ความบังเอิญนะคือแก่คุณเทวินีแก่จะ พยายามสู้นะเพราะว่าใครๆก็บอกให้แกสู้นะแกก็พยายามสู้นะแล้วก็คิดว่าลูกคงอยากจะให้แกทำอย่างนั้นแต่พอลูกบอกว่าแม่แม่ไปได้เลยนะท่านแม่เหนื่อยแม่ทรมานพอลูกให้สายเขียวนะเจ้าตัวก็พร้อมไปบางทีการไปนี่ง่ายนะแต่ที่ยากคือการอยู่แต่ก็อยู่เพื่อคนอื่นที่อยู่เพื่อคนอื่นนะแต่พอคนอื่นเขาปล่อยแต่ก็ไป อีกรายนึงเป็นหมอนะ่เป็นหมอใหญ่นะในในเมืองนอกอเมริกาวันหนึ่งได้ข่าวได้ได้ข่าวแม่ป่วยถามแกไมรีบบินมาเลยนะมาอยู่กับแม่ได้สองวันแม่ก็หมดลมผัวใจยู่เป็นโอ้ยแกทใจไม่ได้จะแ ก, แกคล่อมตัวแม่เคินเหี่ยวตัวแม่นะแม่แม่ทําไมรีบไปแม่ทําไมไม่อยู่กับผมให้นานกว่า น, นี้ผมก็สาบามาจากอเมริกาแม่อย่าึ่งไปพึ่งไปโอ้คลื่องทัวร์เลยนะกลาย็นต้องมีการปาล์มเลยนะ บอว่าปั้มั้ได้นะปั้มเสร็จพอแม่อยู่กับลูกสองต่อสองนะแม่ก็พูดกับรูกว่าเนี่ยไอตอนที่หัวใจอยู่เต้นนะันมันมืดไปหมดเลยนะเสร็จแล้วก็มีแสงสว่างไกลๆแล้วแกลงเห็นว่าใจนี่มันกำลังเคลื่อนเดินไปที่แสงนั้นมันสงบมากเลยเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงก็เลยกลับมาแม่ก็เลยก็เลยสงสัย ไปเรียกแม่กลับมานะ ผ, มมผมไงแม่ผมมาเรียกแม่กลับมาแม่ก็เลยบอกลูกว่าทีหลังอย่าเรียกแม่กลับมานะเพราะนี่บอกว่าสบายเหลือเกินนะว่าที่คนตายเนี่เขาสบายนะแต่ว่าความรักแม่ความรักลูกนะไม่ต้องกลับมาเพราะเนี่ยเราต้องช่วยเขาปล่อยวางปล่อยวางเนี่ย รวมึงปล่อยไม่ใช่ปล่อยวางเรื่องห่วงลูกห่วงหลานไม่ต้องปล่อยวางความเจ็บเนะียก็สําคัญเหมือนกันนะอาตมาได้พูดไปแล้วนะคุณหมอมราที่ได้แนะนําคนป่วยเนะี่ยให้ซึ่กำลังทรมารต้องความเจ็บเนี่ยนะให้ทําสมาธิการทําสมาธิาเป็นการปล่อยวางความเจ็บอย่างหนึ่ความเจ็บเนี่ยมันไม่ดีเลยนะแต่คนเราชอบยึดยิ่งเจ็บเท่าไหร่ยิ่ง ยิ่งยึ band, ิ่งติดกับความเจ็บจิตมันยิ่งปักตึงกับความเจ็บมันอย่างนั้นต้องช่วยเขานะช่วยเขาเนี่ยช่วยดึงจิตเขาออกจากความเจ็บความปวดการระลึกถึงพระรัตนตรัยก็เป็นวิธีนึงในการที่ช่วยทําให้เขาวางความเจ็บความปวดปล่อยความเจ็บความปวดการทําสมาธิการสวดมันก็เป็นวิธีนึงในการที่จะทําให้จิตเนี่มันวางความเจ็บความปวดไอ้จิตมันดื้อด้านนะมันจะ ไปจ่อยที่ความเจ็บความโศนนั่นแหละอาารย์ที่บอกว่าคนเรานี่ไม่ได้ยึดติดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ทําความสุขกับเราเราก็ยึดนะมันประหลาดมากเลยสุดท้ายนะก็ชวนให้เขาอุทางคือการกล่าวคาำคำลาเมื่อเขาจะตายเนี่ยนะก็สิ่งที่แนะนําไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ย้อนกลับมาทําใหม่ให้เขาคิดถึงพระ ควรจะขอรับทุกสิ่งแล้วก็จะมีการทำพิธีกรร ม, มอย่างเช่นการขอคามาซึ่งกันและกันและบอกความในใจบอกความในใจเนี่ยสำคัญนะบางทีเพียงแค่บอกว่ารักแม่มันมีความหมายกับแม่ที่เราจะตายมาก หือการที่ได้กอดเขามีบนตรงนี่ยแกเป็นคนจะเป็นลูกจีนนะแล้วตอนตอนตอนที่พ่อจะตายเนี่ยแกอยากจะกอดพ่ออยากจะอยากจะบอกว่ารักพ่อแต่แกพูดไม่ออกและแกก็ไม่ได้ทําพอพ่อตายแกก็มาเสียใจนะว่าทําไมเนี่ยกอดพ่อไม่ได้ทําไมแค่คาว่าบอกรักนี่บอกไม่ได้ แต่หลายคนเนีพอได้พูดอไปแล้วเนี่ยว่มันสบายใจนะมีความสุขแล้วคนที่ใกล้ตายก็ก็มีความสุขบางีเขารอนะคําว่าหนูรักพ่อหนูรักแม่หรือว่าฉันรักเธอเนี่ยคนไทยคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมะเร็งแล้วก็สามสสุดท้ายแกก็ถามอะไรอย่างนั้นแหละว่าแม่แมรักพ่อไหม ภรรยานี่เป็นคนเป็นแม่บ้านตัวใหญ่ๆนะถ้าเป็นเป็นแม่คา้าตัวใหญ่ๆเฒ่าๆคนป่วยถามเท่าไรถามที่ไรแกก็ไม่อยอมตอบแกก็บายเบี่ยงหลบเลี่ยงแล้วทั้งสามสุดท้ายแกก็ถามอีกนะ่นแม่ไม่รักพ่อคราวนี้แกรำคาญแตภรรยาเธอก็เลยขึ้นเสียงจะบ้านหรือไงไม่รักกัน แกอยู่ได้ไงตั้งที่สิบห้าปีพูดงานกูอยากจะบอกว่ารักอะแต่บอกไม่ได้ก็เลยพูดแบบเนี้แาจากจะคงรู้สึกว่าไม่เคยพูดนะจะบอกว่าสารรักเธอก็กระดากปากจะบอกว่ากูรักมึงก็ไม่ได้นะอาจจะคงกูพูดกับมึงมันตลอดนะพอพ อ, พ, พอสารมีตายแกก็มาร้องไห้นะว่าทําไมพูดไม่ได้เสียใจ ในเวลาตายเนี่ยนะต้องรวดลงคนที่ต้องลดลงความใกล้งนี้ยก็คือญาตินะคือลูกคือหลานที่จะบอกเขาบอกคำในใจมันมีความหมายเข้ามากเลยเพาคนคนทั่วไปนะที่อาจจะไม่ได้สนใจทําอะไรมากเนี่ยเพียงแค่เขาได้ยินคำว่ารักนะจากคนที่เขาปลูกพันด้วยเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยสามารถจะตายสมบได้ นี่คุณป้าคนหนึงนะแ่ก็นั่งซึนข้างเตียงสามีภรรยาถามเป็นอะไรแกบอกว่าไอ้ที่สามีตายก็ ก, ก็ก็ทําใจไดนะ้ที่เสียใจเพว่าอยู่กันมาเนี่ยไม่เคยบอกรักสามีเลยเพียรบังก็บอกว่าเพียงเว่ายังไม่เคยบอ ก, กสามีแต่ตอนเนี้ยมันนึกได้ก็สายไปแล้วสามีที่โคมานะ่าแล้วเพียร์บังบอกยังไม่สายนะเขายังรับรู้ได้อยากจะพูดอะไรก็พูด พออยู่กันสต่อสองเธอก็พูดนะคุณโลกดวงสติแล้วก็พูดกับ3มามีว่าขอบคุณนะวันฉันได้โชคดีที่ได้อยู่กับเธออยากจะขอบคุณที่ตลอดเวลาที่อยู่กับเธอเนี่ยฉันมีความสุขมาก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความสุขมากมีอย่างนี้ที่อย่างใหญ่ใหญ่อออบอกเธอคือว่าฉันรักเธอแล้วก็คงอยู่ได้ยกถ้าไม่มีเธอนะแต่ก็ถ้าเธอจะไปคอยไปเธอนั้นไม่ต้องห่วงฉันไม่อยให้เธอทรมามากกว่านี้นะ พอเธอพูดจบนะคนไข้เนี่ยข อ, อหายใจหายใจยาวเลยนะแล้วก็หมดลมเหมือนว่าเขารอฟังคำนี้เนี่ยคนไข้บางคนเขาอรอลูกรับปริจารอหลานกลับมาจากอเมริกาหรือว่ารอให้ลูกเนี่ยไปทำสัมปทานพอเสร็จทุกอย่างนะก็ไปอย่างรายนี้เนี่ยเพียงให้ได้ยินคำในความในใจของ ภาริยาแก้ไปแค่ น, น, นี้ก็สำคัญนะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องการเยียวยาหรือการช่วยเชื่อจิตใจผู้ป่วยสุดท้ายซึ่งสามารถจะใช้ได้ทั้งกับคนไข้ที่เขารู้ตัวแล้วและไม่รู้ตัวโคม่าก็ดีผักก็ดีเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าเขาไม่รับรู้อะไรนะเขารับรู้ได้ ไม่ใช่แค่ได้ยินะนะบางทีเห็นนี่นะยคนหนึงแกเป็นแกหวดใจหยุดเต้นนะทันทีเลยปวดใจหยุดเต้ น, นแต่ว่ารีบพาส่งโรงพยาบาลได้ทันขณที่กำลังช่วยกันอยู่นะก็มีพยาบาลเนี่ยสอดจะใส่ท่อเนี่ยเข้าปากคนไข้แต่คนไข้มีฟันปร้องถอาฟันฟอนออก่อนแล้วก็สายช่วยได้สาเร็จระหว่างที่ฟักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเ่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง่ย มีวันหนึ่งคนไข่ถึงพยาบาล mm. ก็เลยทักขึ้นมาว่า mm. คุณช่ไมที่ถอดฟันปลอมผม mm. จะเห็นได้ยังไง mm. แกแกหลับแกสลบหรือว่าแกาปิดตายแกไม่รู้ตัวแกเห็นได้ยังไงอีกลายนึงนะ mm. รักษาบดย ท, ที่โ mm. รงพยาบาลเป็นมะเร็ง mm. นะแกก็มีความว่าจะหายนะ ผีคีโมแพ้ยังไงแกก็ทนยังมีอารมณ์กับ จ, จิตใจหยอกล้อผีอามแต่มีวันนึ่งเนี่ยแกหัวใจหยุเต้หนหมอปั้มขึ้นมาสําเร็จแกก็รู้แล้วว่าแกคงไม่รอดแกก็เลยบอกหมอว่าหมอถ้าผมหัวใจหยุดเตนอีไม่ต้องปั้มนะหมอรับปากแต่ว่ากลางดึกนะวันนี้นแกหัวใจหยุดเต้นอีกตอนนี้หมอเจ้าของไข้ไม่อยู่นะหมอเวเนี่ย ก็ตัดสินใจปั๊มแกขึ้นมาวันรุดขึ้นออกจากรุดตัวเนีนะแกเรียกรูดเรียกหลับเรียกลานมาเรียกมาทำามเรียกมาดา่ากูว่ากูจะไปสบายแล้วเชียวพวกมึอพาวูากลับมาอีกแกบอกว่าตอนที่แกวิ่เต้นแั้นแกเห็นตัวเองในจับมุมจับเพดานนะมองลงมาเห็นตัวเองเนี่ยเห็ น, เ ห, นเห็นคนที่จ้างมาดูแลกันเนี่ยนะวิ่งไปเรียกพยาบาลวิ่งไปเรียกหมอ เห็นตัวเองลังบุกปั๊มแ่บอกตอนนั้นแก่สบายมากแก่ใจแกสงบแกสบายแล้วแกคงคิดว่าเออไปตอนนี้ก็ดีนะแต่พอรู้ว่าแกยังไม่ไปแกผิดหวังนะแกกเลยเรียกงเวลาสิ่งที่สำคัญคือแกเห็นตัวเองได้ยังไงและที่แกเห็นนี่มันถูกต้องหรือไม่ได้มันโลวนะมันจะมีตัวอย่างแบบนี้เยอะแล้วมีรายหนึ่งยิ่งกว่าดีอีนะ เด็กอายุ7จ็ดขวบจมน้ำอันนี้มึงนอกนะยีนาทีแต่มันหนาวมากไอาการที่ความหนาวนี่มันช่วยทำให้หัวใจหยุดเต้นแต่การขอเอาออซิเจนไป20นาทีนะเอาขึ้นมาเนี่ยหมอสแกนสมองสมองบวมเลือเป็นกดสูงตาเนี่ยม่านตาเนี่ยขยายไม่สองต่อแสงแปลว่าอะไรสมองตายแต่เชื่อไม่สามมาต่อมากแกฟื้น แล้วฟื้นอะฟื้นแบบคุยกับคุยคุยแบบปกตินะคุยกับแม่ได้สักพักที่ตารวจเอ๊ตำรวพักเนี่ยหมอเข้ามาดูอาการแกแล้วก็ไปแกบอกหมอว่าเนี่ยแกบอกแม่ว่าแกเห็นหมอคนเนี้ยตอนที่แกสลบอยู่สามวันแกบอกหมอมีสองคนนะคนหนึงมีหนวดคนนึงไม่มีหนวดแล้วแกบรรยายห้องกีอาร์ได้ถูกหมดเลยแกเห็นได้ยังไงแล้วสมองแกเนี่ย ถือว่าตายแล้วนะสมองบวงเมเลือดไปกดสูงนะม่านตานี้ขยายมันเห็นเลยนะว่าไอการรับรู้คนเราเนี่ยมัน ม, มันไม่ใช่ต้องอาศัยสมองอย่างเดียวนะถามว่ารับรู้ด้อะไรก็ต้องรับรู้ได้จิตแหละพูดง่ายๆเป็นชาวพุณธนะสมองแยกแต่จิตเนี่ยมันยังรับรู้ได้ยังไม่ตายจิตก็ยังรับรู้ได้แล้วไปแล้วเนี่ย อย่าไปคิดว่าคนไทยเขาสมองตายแล้วก็เป็นผักแล้วเขาโคม่าแล้วก็เป็นเอัไซเมอร์แล้วเนี่ยไม่รับรู้อะไรนะยังรับรู้ได้บางทีก็อาจจะไม่ได้ทุกรอยมันหลับก็ได้พวกเราเคยได้ินชื่อสัพชายกายนะนะเขาเคยเล่าเพื่อนเขาคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งตายชื่ออะไรชื่อเป็ด น, นะแล้วเขาก็เล่าในทเ c e b o o k ของเขานะเป็นเป็นมะเร็ง แล้ววันสุดท้ายที่เป็ดจะตายเนี่ยประมาณเที่ยงสัปแชรยก็ได้โทรศัพท์จาเป็ดบอกว่าพี่หนูจะไปแล้วนะ <c oughs> เสียงของเป็ดที่ใสเลยนะจะไปไหนหมอหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่นานเนี่ยจะไปแล้วเฮ้ยเสียงใจดีอยู่เลยจะไปไหนไม่รู้ละหมอบอกว่าหนูกลังจะไปนะพี่รีบมาซ แกก็รีบ ม, มาแนละ้วถึงโรงพยาบาลบ่ายสองเปเห็นเป็นโคมา่านะแกก็ตกใจโคม่าแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้ยังโทรศัพท์กันอยู่เลยยาก็บอกว่าแกโคม่าแต่ตีสองแล้วอา้าวแล้วใครโทรมาโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ในเกตไม่มีใครแตะต้องเลยเปิดแกตดูโทรศัพท์ปรากว่ามีเล็กคอยก็โทรมาหาศัพท์ชัยสิบสองจุดศูนย์สอง โทรมาตอนเที่ยงสองนาทีตรงกันเวลาตรงกันในโทรศัพท์สองเครื่องแล้วใครโทรมาจนะาบอกว่าผีแบบว่าไม่ช่าก็ยังไม่ตายร้องดาว่าเป็นจิตของแก่จิตของแกโทรมากายเนี่ยนะอยู่โรงพยาบาลนะหมดสภาพแล้วแต่จิตเนี่ยยังสามารถจะพูดคุยทางโทรศัพท์ได้แต่อย่าถามว่ากดโทรศัพท์ยัยงไงนะ แต่เรื่องนี้มีเยอะนะมีเรื่องนี้อะประเภทว่าจะตายแล้วเนี่ยโทรศัพท์มา mm hmm. เด็กคนหนึ่งนะ mm hmm. แต่เป็นลิวคีเมียนะั้นแล้วแ ก, กขอมาแกขอมาตายที่โรงพยาบาลที่บ้านที่บ้านก็มีนั้นก็มีการดูแลแต่สุดท้ายเนี่ยเด็กก็ตายวันที่เด็กตายเนี่นะขณะที่พ่อแม่เนี่ยอยู่ข้างเตียงเด็กเนี่ยนะก็มีบริษัท ก็มีรถมามาส่งออกซิเจนนะเรามาส่งออกซิเจนบอกพิ่งได้โทรศัพท์เมื่อเมื่เมื่อกี้นี่เองเลยรีบมาเลยที่บางถามว่าใครสัง่งไม่รู้แต่ว่าเป็นสิงเด็กะ่ะเด็กเนี่ยตอนนั้นตายไปแล้วนะแล้วเด็กโทรได้ยังไงนะอันนี้ก็แปลกนะก็เชื่อว่าเด็กโทรไปนะแต่ว่าเด็กตอนนั้นเนี่ยหมดสภาพไแล้ว จินนะขเขาคงจะโทรนะให้มารับให้มาเพราะนั้นเนี่ยคนที่โคม่าแล้วเนี่ยนะหรือแม้ทั้งคนที่ตายไปแล้วเนี่ยยังรับรู้ได้อนาะตมาคือไปเยี่ยมคุณยายคนนึงนะรีบไปเลยเพราะว่าอนพอมาถึงตอนก็รีบไปที่โรงพยาบาลพุทธผลนัดหมายกนะันไว้ล่วงหน้านวันหนึ่ง ไปถึงก็คุณยายเสียชีวิตแล้วประมาณชั่วโมงนึงก่อนหน้านะแต่ว่าสายสายอะไรต่างๆนี่ที่ต่อกับจอมอนิเตอร์เนี่ยแกไม่ทอดลานลูก็ปล่อยไว่อย่างนั้นน่ะอาตมาก็ไปคุยกับโยมลูกเขาเตรียมเครื่องสังกัดฐานไว้แล้วก็เลยรับสังกัดฐานแล้วก็ให้พออรอาตมาเชื่อว่าเขายังรับรู้ได้ให้พรเป็นปกติ แล้วก็บอกให้ถึงพระแล้วก็ลาทุกสิบสิบนาทีแล้วตามาก็รินไปนะเพราะว่ามีงานตกลมเนี่ยที่สารยาไม่ได้เกืบลูกสามครับวันลุ่งข้ลูกสามก็เขียนมาบอกว่าไอ้ตอนที่ตามาคุยกับแม่คนนี้นะสัญญาณสัญญาณเส้นสัญญาณชีพเนี่ยหัวใจเนี่ยนะมันเต้นนะมันเต้นที่จังมิเตอร์ ถ้าไม่ใช่ความบังเอิญ น, นะอุบัติเหตุก็แสดงว่าเขารับรู้ได้พนอะตรมะพูดจบสัญญาณก็หายไปแนะังน้นให้ปฏิบัติกับเขาเหมือนคนปกติไม่ว่าเขาจะไม่รู้สึกตัวแล้วก็ตามแต่ถ้าเขาเลิกยังรับรู้ได้รวมทั้งแม้เขาจำล่มล้มไปแล้วเนี่ยยังรับรู้ได้นะ อย่างที่จะมาพูั้งแต่ัรกๆทว่าคนเราเนี่ยแตกดับเนี่ยนะจะตายแท้จริงเนี่ยจิตต้องแตกดับด้วยแต่จิตกับกายมันไม่มันไม่ได้แตกดับพร้อมกันนะกายแตกดับก่อนจิตค่อยแตกดับตามมาและตอนที่จิตไม่แตกดับเนี่ยการรับรู้ยังเกิดขึ้นได้เสียใจได้ดีใจได้ปิตดดิได้เหตนั่เกิดว่าคนไข้เนี่ยตายไปแล้วเสร็จแล้วมาเห็นรูป และจิตยังยังไม่หยุดจักล่าเนี่ยเห็นลูกหลานทะเลาะ ก, กันเรื่องสมบัติเห็นลูกหลานมาร้องไห้เศร้าโศจิตก็จะเศร้าหมองได้ถึงแม้เขาหมดลมหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อเขาไม่รับรู้นะเพราะนั้นเนี่ยพยาาปฏิบัติกับเขาให้ดีที่สุดแลว้วก็รักษารักษาใจของเราด้วยนะอย่าไปร้องไห้ให้เาเห็น แม้ก็จะหมดลงหรือว่าเขาอาปวดใจไปแล้วก็ตัดแล้วก็คงมีติเท่านี้แล้ว